พึ่งคนเราส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นสองเรื่องคือสองสาเหตุพัดพราดจากสิ่งที่เราที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจนะก็เป็นทุกข์ถ้าพัดพราดจากสิ่งที่เราที่พอใจก็ความทุกข์ก็มักจะออกมาในรูปความเสียใจความเศร้าความอลัยเสียดายอะไรอาวรส่วน ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็มักจะมาในรูปความโกรธนะเช่นเจอคำต่อว่าด่าทอคำตำหนิติดเตียนเจอทุกขเวทนาเช่นความปวดความเมื่อยนะหรือว่าเจอความหิวโหวยอาจจะลงไปถึงเจอดินฟ้าอากาศที่มันบีกข้น แดดร้อนอากาศหนาวนอกจากยังรวมไถึงว่าคนรักของรักไม่เป็นไปตามใจนะไม่เป็นไปตามใจหวังหรือว่าอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เขานะก็ไม่สนใจเหมือนเฉย แนะนำแล้วเขาไม่ทำตามพวกนี้นี่มก็อยู่ในหมวดเดียวกันนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจคือไม่ถูกใจนั่นเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มักจะได้ความโกรธอยากจะผลักไสออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเรานะต้อง เจอวันแล้ววันเล่าถนะ้เาเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นนะมันก็ทําให้ทุกได้ทุกอยางไม่พอก็จะสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นตามมาด้วยเมื่อที่ที่แล้วในะช่วงวันเข้าบรรษาก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็ คุ้เคยกับพี่ชายมากอายุห่างกันประมาณสิบปีน้องชายก็สี่สิบพี่ชายก็ห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามพี่ชายนี่กินเหล้ า, มาเมาเป็นประจำน้องชายก็เห็นว่าขา้าวพรรษาก็ขอร้องให้พี่ชายงดเหล้านะในช่วงเขา้าวพรรษานะพี่ชายก็ไม่สนใจยังกินเหล้านะ ันเข้าพรรษาก็กินเหล้าหลังยากนั้นยังกินเหล้าอีกน้องชายคงจะตักเตือนตักเตือนแล้วก็ไม่สนใจก็คงจะด่าว่าก็เลยมีเรื่องทะเลาะ ก, กันหลังจากนั้นวันสองวันก็ก็ไปเห็นพี่ชายตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนกำมังนะ น้องชายก็เลยไปต่อว่าพี่ชายก็เลยเกิดพี่ชายก็เลยโกรธไปคว้าขวานมาจะมาทําร้ายน้องชายน้องชายก็เลยอควักออกคัตเตอร์ออกมาเพื่อป้องกันตัวแต่ก็ไม่มีการประทะ ก, กันเพราะว่าเพื่อนๆในวงเล่าก็ช่วยกันนะ ห้ามดึงตัวพี่ชายาไว้พี่ชายคงจะเมามากอยจนทั้งอ่าอสลบไปเพื่อนๆก็ไปคงไปหารถนะพาไปหารถเพื่อพาพี่ชายไปส่งโรงพยาบาลก็เลยแต่น้องชายคนเดียวนะน้องชายซึ่งตอนนั้นคงโกรธมากเห็นพี่ชาย หลับไม่รู้ตัวก็เอาคัตเตอร์เนี่ยก็ไปปาดคอพี่ชายตายแต่แล้วก็รู้ทรงรู้สึกสานึกผิดก็เลยรอให้รอไม่หนีไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจในเรื่องนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่สอนใจได้หลายอย่างนะอ่านคาแบบนี้แล้วอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไป ทำไมนะน้องชายซึ่งนะปรารถนาดีนะกับพี่ชายไปแปลมาลงเอยด้วยการฆ่าพี่ชายกับมือมันเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมเป็นอย่างนั้นที่จริงมันก็น่าเรียกว่าน่าเศร้าก็ได้นะที่ตัวน้องชาย อยากให้พี่เลิกเหล้าเหล้ากินเหล้าไม่ดีแต่ตัวเองนี้กับกินเหล้าไม่ดีมันผิดศีลห้านะแต่ตัวเองนี้กับผิดศีลข้อที่หนึ่งนะปานาติบาเ ต, ตือนพี่ชายอย่ากินเหล้าแต่ตัวเองนี่กับค่าพี่ชายเตือนพี่ชายอย่าผิดศีลห้าแต่ตัวเองนี้กับผิดศีลข้อที่หนึ่งซึ่งมันแรงกว่าได้ซ้ำอันนี้มันก็ แปลว่าเนี่ยนะเตือนคนอื่นแต่ลืมเตือนตนนะมองเห็นโทษแต่ของของคนอื่นแต่ว่าลืมนะลืมดูใจตัวเองผู้คนก็เป็นอย่างนี้กันมากนะนะเอาแต่เตือนคนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้เตือนตัวเองพอไม่ได้เตือนตัวเองนะมันก็เผลอในทําสิ่งที่ แย่กว่าเร็วลายกว่าคนอื่นได้ซ้ำทำไมถึงทำอย่างนั้นขขอความโกรธนะเตือนแล้วก็ไม่ฟังเตือนไม่ฟังก็ไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็โกรธพอกวดแล้วก็อาจจะต่อว่าด้วยคำคำรุนแรงพี่ชายก็เลยไม่พอใจถึงขั้นจะมาทำร้าย คือถ้าเตือนน ด, ดีเนี่ยก็คงจะไม่ถึงกับขั้นเอาขวานมาเล่นงานน้องชายนยก็คงจะไปด่าเขาเนะทีแรกก็หวังดีนะแต่พอไม่ทําตามที่หวังดีก็โกรธพอกรนแล้วก็เผลอนะด่าว่าไปฝ่ายที่ถูกด่าก็เลยโกรธบางทีแรกคงจะทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันมันก็ยิ่งโกรธมากขึ้น สุดท้ายก็ต้องหาทางอยากจะทำร้ายปรารถนาดีนะกับพี่ชายนะแต่พอเขาไม่ทำตามเนี่ยก็โกรธอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะมันก็เพราะความนะแต่ก็เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นก็ไนดะ้ความยึดมั่นถือมั่นนะว่ายึดมั่นในความดี ทำดีเขาแต่เขาไม่เห็นความดีของเราหรือว่าเขาไม่ทำตามคำแนะนำของเราก็โกรธปรารถนาดีต่อเขานะแต่ความโกรธมันเกิดจากอะไรนะก็เกิดเพราะไม่ทำตามที่เราแนะนำไม่ทำตามที่เราบอกไอ้ตัวเราเนี่ย ที่มันพวงติดมาเนี่ยมันตัวการเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะไม่ใช่คือถ้ามันไม่มีถ้าตัวกูไม่ถูกกระทบเนี่ยมันไม่โกรธนะถ้าตัวกูไม่ถูกกระทบเนี่ยมันไม่โกรธ ถ, ถ้าคนอื่นไม่ไม่ทําแนะนําแล้วเขาไม่ทําก็อย่างมากก็แค่เสียใจแต่ที่มันโกรธเพราะตัวกูมันถูกกระทบ กูบอกแล้วไม่ทําตามที่กูบอกหรือว่าไม่เป็นไปตามที่กูคิดกูคาดกูหวังตรงนี้แหละที่มันทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าทําดีการแนะนําคู่อื่นเนี่ยมันก็เป็นของดีนะโดยเพราะถ้าทําด้วยความปรารถนาดีความเมตตาแต่พอไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อไหร่นี้ก็อันตรายเนีลย พอตอนนั้นมันที่มีตัวกูเข้าไปแทรกยึดมันถือมันก็คือยึดมาว่าเป็นกูของกูเวลาพูดคาว่ายึดมันยึดมันเนี่ยมันมันจะมีมันจะพ่วงมาด้วยคําว่าตัวกูของกูเสมอไปกูแนะนําแล้วไม่ทําตามที่กูแนะนํำนะก็โกรธเลยพอโกรธแล้วเป็นไงมันก็ลืมตัว พอลืมตัวแล้วก็จะทําอะไรก็ได้สุดท้ายแต่ว่าลืมมากแค่ไหนนะถ้าลืมน้อยก็อาจจะแค่ด่าว่าใช่ถ้าคารุนแรงแต่ลืมมากก็อาจถึงขั้นลงไม้ลงมือนะไม่ใช่แค่ทํำร้ายให้บาดเจ็บแต่ว่าถ้าลืมตัวมากก็อาจทําให้ถึงตายเลยนะ ปรารถนาดีมันกลายเป็นปรารถนาร้ายได้มันมันคลิกนิดเดียวนะกลายเป็นปรารถนาร้ายเลยอยากเห็นเขาได้ดีเผลอปุ๊บเดียวมันคลิกกลายเป็นอยากจะฆ่าให้ตายความรักกับความกโกรธหรือความพยาบาทนี่มันใกล้กันมากทีเดียวเนพะียงที่เราเห็น จ, จะเห็นนะผัวเมียคู่รักที่รักกันนี่แต่พอทําอะไรไม่ถูกใจกัน มีการทะเลาะบบาแหว้งกันก็ถึงกับฆ่ากันได้พ่อฆ่าลูกได้นะเคยเล่าใฟังมาแล้วนะพ่อนะปรารถนาดีกับลูกนะเห็นลูกประพฤติตัวไม่ถูกต้องก็แนะนำแนะนำลูกไม่ฟังมือเสียงก็เกิดการทะเลาะกันแล้วยิ่งสั่งแล้วลูกไม่ทําตามมันก็ยิ่งโกรธ ลูกลูกชายเอาไว้นักเรียนมัธยมเอาเอารถไปขับที่จริงรถก็เป็นรถที่พ่อให้ลูกนะซื้อให้ลูกแต่ก็อยากจะให้ลูกใช้รถนะเป็นเรื่องเป็นลาวไม่ใช่ไปเที่ยวลูกขับรถจะไปบ้านเพื่อนตอนกลางคืนพ่อห้ามแต่ลูกก็ยังไปพ่อก็ไปตามลูกถึงบ้านเพื่อน ไปเรียกลูกกลับมาแล้วก็มีการทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอย่างแรงนะทะเลาะคงไม่ทะเลาะเปล่ามีการด่า ก, กันด้วยนะพ่อนี่โกรธมากนะพ่อนี่เป็นคนที่ชอบเข้าวัดธรรมธรมโมยิ่งอยากให้ลูกเนี่ยมีธรรมะพูดลูกพูดแบบลูกพูดไม่มีสัมมาทะเละกับพ่อพ่อยิงโกรธ โกรธทำไงานนะคราวนี้ก็อยากจะทำร้ายเลยเห็นปืนไว้ใกล้ก็ยิงลูกตายพอรู้ตัวว่าตัวเองอะไรทําเสร็จมันก็หายหายโกรธนะหรือว่ามันความโกรธมันกทุ่นเร่าลงทำเสร็จไปแล้วรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทําใจไม่ได้ก็เลยยิงตัวเองตายทั้งหมดที่ทําเริ่มต้นเกิดขึ้นจากเพราะความปรารถนาดีกับลูกนะ แต่ความปรารถนาดีนะั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เมตตาแต่มันเจอไปด้วยอุปทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องลูกต้องดีเหมือนกูหรือว่าลูกต้องต้องทำตามที่กูพูดกูสอนนะมันยังมีตรงนี้แทรกเข้ามาแล้วพอไม่ทำตามที่กูสอนหรือว่าไม่ทำตามที่กูแนะนำหรือว่าไม่ ทำตามกูเนี่ยมันก็โกรธนะตัวกูนี่มันมันไม่ชอบอยู่แล้วนะพอความโกรธเกิดขึ้นก็การอยากทำร้ายก็ตามมาไอ้เมตตาก็ชิดซ้ายไปนะความพยาบามันมาแทนที่จริงถ้าเมตตาเมตตาแท้ๆไม่มีปัญหานะแต่ว่าพอเมตตาที่มันเจือด้วยอุปาทาน หรือว่ามันถูกครอบงํำด้วยอุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในตัวกลัวของกูก็เข้ามานันความปรารถนาดีนะหรือการทําดีนี่ดีแล้วที่ทํานะแต่ว่าต้องระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่แค่ทํำดีอย่างเดียวคิดดีก็เหมือนกันนะถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่อันตรายมันนั้นนะหลวงพ่อเฟื่องโชติโกตนะพก่อเคยพูดนี่ ถึงแม้เราจะความเห็นว่าเราจะถูกแต่ถ้าก็ยึดมั่นมันก็ผิดเลยนะมันยึดมั่นตั้งแต่มันผิดตั้งแต่ไปยึดมั่นแล้วถึงแม้ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะแค่คิดเนี่ยแต่พอยึดมั่นก็แปว่าเนี่ยว่ากูถูกกูถูกนะมันจะผิดทันดีเพราะมันจะไปมองเห็นคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราว่าผิดหรือว่าไปมองเขาว่าเป็นศัตรูเลยนะ พอดิ้บมาบ้านเนี่ยความเพียรกูทนันที่ถูกเนี่ยมันก็จะเห็นคนอื่นผิดไปเลยหรือเห็นคนอื่นลบไปเลยและความไม่พอใจก็จะตามมาและความไม่พอใจนี่ก็เป็นอกุศลนะมันก็มันก็ผิดแล้วล่ะนะพออกุศลเกิดขึ้นในใจนก็ผิดทันทีและความปรารถนาดีนี่มันก็บางครั้งก็เป็น เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาเข้ามาจูดโจมเล่นงานเราได้คนเราทําชั่วหรือทําร้ายกันในนามความปรารถนาดีก็เยอะนะลูกลูกดูแลพ่อแม่นะพ่อแม่ล้มป่วยนะแต่ว่าอยากให้พ่อแม่หายป่วยอยากให้พ่อแม่มียุยืนแต่พ่อแม่ก็มักจะไม่ค่อยเชื่อฟังอยากให้พ่อ เลิกบุหรี่พ่อก็ไม่ยอมเลิกอยากจะให้แมนะ่เลิกกินพวกอาหารประเภทข้าวขาหมูพวกของหวานนะก็ไม่ยอมเลิกแม่เป็นเบาหวานน้ำตายก็ขึ้นแอตกินนะพวกของหวานพวกข้าวเหนียวนะทุเรียนพอลูกรู้ทำงาน รู้ก็ว่าว่าบ่อยๆไม่ได้ผลก็ด่าเลยนะบางทีดา่าพ่อด่าแม่ด้วยความด้วยความลืมตัวนะเพราะตอนนั้นมันเกิดทุกข์มากนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแนะนำแล้วไม่ทำตามก็หรือว่าอาการของพ่อแม่ มันแย่ลงน้ำตาลสูงหรือว่าพอล้มป่วยหนักขึ้นอันนี้เรียกว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจนะมันเป็นไงทุกข์ก็คือโกรธพอกรธแล้วก็ลืมตัวด่าด่าเสร็จ ก, ก็มารู้ตัวก็เสียใจเสียใจแล้วขอโทษยังก็ยังก็ยังพอทำนาบางคนก็ไม่ขอโทษนะ พอแม่ตายไปแล้วก็พ่อตายไปก็มา น, นึกเสียใจรู้สึกผิดว่าทำไมไม่ขอโทษหรือทำไมไปทาอย่างนั้นกับพ่อแม่เนี่ยอันนี้เรียกว่าด่าเพราะเริ่มต้นเพราะความปรารถนาดีหรือว่ารู้สึกว่าเป็นการด่าเป็นสิ่งที่ชอบทำเพราะว่าปรารถนาดีมันต้องระวังนะความปรารถนาดีเนี่ยบางทีกิเลสมันเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะ ทำตามอำนาจของมันพวกที่ไปพวกที่ก่อกันร้ายเอาเครื่องบินไปชนตึกวอลเทรดนะหรือว่าไปเอาระเบิดพีชีไปไประเบิดคน ห, นหรือว่าส่งระเบิดพีชีไปฆ่าผู้คนเนี่ยมันีก็ทําในนามความปรารถนาดีนะต้องการให้ผู้คนเนี่ยมานับถือพระเจ้าแต่ต้อไปพระเจ้า แบบของชั้นนะไม่ใช่แบบของแกนะต้องเป็นพระเจ้าแบบของชั้นหรือศาสนาของชั้นต้องการทำให้คนมีศีลธรรมนะก็ไปก่อการร้ายสั่งสอนกนะิเลนี้บางทีมันก็อาศัยความปรารถนาดีเป็นข้ออ้างในการทำชั่วหรือว่าทำตามหน้าของมัน มันเป็นทั้งทุระดับนะตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่เพื่อนกับเพื่อนพี่กับน้องดังนั้นบางทีความปรารถนาดีก็ต้องระวังต้องระวังหกตุลานะแต่เผาเผาคนเอาคนมาแขวนเขาก็ทำเป็นนามของนะความเรียกว่าอุดมการณ์สูงส่งนะต้องการพิทักชาติสากษัตริย์อุดมการณ์นะร ท, ท, รรรที่สูงนะ มันก็สามารถเป็นข้ออ้างในการทำสิ่งที่ต่ำก็ได้เผาคนในนามของศาสนานี่ก็มีไปยุโรปเที่ยวนี้นี่ก็ไปได้ไปเยือนจตุรัสหล้หลแห่งที่มีชื่อที่สเปนนี่ก็มาดริดมันก็มีจตุรัสชื่อว่าแหละชื่อว่าพลาซ่ามายอว์ไว้คนไปเที่ยวเยอะมากตั้งแต่เช้าจนดึก ก็เป็นแหล่งสำเริงสำราญคนก็กินข้าวกินอาหารกินเหล้ากินเบียร์รอบๆตามขอบจตุรัสนักท่องเที่ยวสเปนนี่ก็ต้องถ้าไปเมดิเร์ ก, ก็ต้องเที่ยวพระซามาอยอเหมือนกับเช็คกลุงปรางนี่ก็มีพลาซ่าคือฝรั่งยุโรปก็จะมีจตุรัสใหญ่เล็กๆเล็กศร ส, สนามหลวงแต่ว่ามีชีวชีวามาก มีอาคารล้อมรอบ ก, นะก็เป็นที่ที่คนมาเที่ยวกันนักท่องเที่ยวก็ต้องมากันอย่งกุ้งปลาก็มีจตุรัสใหญ่สวยแต่คนไม่เคยรู้น่ะว่าจตุรัสราวนี้เมือ่อสามสี่ร้อยปีมันเป็นที่กิจกรรมที่ทงคือเผานะเผาคนที่นับถือาศาสนาอื่น เผ่าคนที่ทำเชนเผาคนที่นับถือาศาสนาโปรเสตสแตนต์สเปงกับกับเช็คนี่นนับถือาศาสนาคาทอลิกโรแมนคาทอลิกใครที่นับถือโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ถูกจับมาเผาหาเป็นพวกนอกรืเผาในานามของาศาสนาคริสตศาสนาส้ำในานามพระเจ้าเพื่อให้าศาสนาบริสุทธิ์เมื่อศาสนาดีนิวตรงการสูงส่งแล้วนี่ มันก็ลด ก, กิเลสมันก็มีข้ออ้างกว่าจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นต้องระวังมากนี่ทำโดยความรู้ตัวก็มีนะรู้ตัวแบบหยาบๆก็คือว่าทำเพื่อความดีนะแต่บางคนก็ลืมตัวลืมตัวแบบว่าไม่ได้สนใจความดีแล้วเนี่ยอย่างเช่นน้องที่ฆ่าฆ่าพี่ชายก็มันลืมตัวหมดมันมีแต่ความโกรธอย่างเดียวพี่ชายอาจจะเอา ควาขวานมาเพราะว่าเมานะเมาเหล้าอส่วนน้องชายนี่เอาคัตเตอร์กรีดคอพี่ชายเพราะเมาอารมณ์น้องชายไม่ได้เมาเหล้านะแต่เมาอารมณ์เมาความกโกรธบางทีเล่าเล่าความกโกรธเมาเหล้ากับเมาเมาเมาอารมณ์นี่บางทีเมาอารมณ์นี่น่ากลัวกว่านะเมาเหล้านี่นก็อาจจะได้ไม่แต่ทําช่วงยังทาได้ไม่ค่อย ไม่เคยถนัดเท่าไหร่เพราะมันมเมาเจ้าอย่างพี่ชายจเจ้าขวายมาจามน้องชายมก็มันเมาก็เลยทําไม่ค่อยได้เรื่องได้ลาวเท่าไหร่เดินยังเดินไม่ค่อยตรงเลยแต่เมาอารมณ์นี่มันมันร้ายมากแม้ทั้งคนที่หลับคนที่สลบไม่มีทางสู้แล้วก็ยังฆ่าก็ได้พอหายเมาจึงรู้ว่าตัวเองทำอะไรไปได้ คนเรานี่แม้เวลาจะทําความดีนะสิ่งสำคัญก็คือต้องอย่าลืมดูใจของตัวเองด้วยทําความดีก็ไปไปเพ่งเลี้ยงที่ผลว่าเขาจะทาเขาจะทตามที่เราแนะนําไหมนะจิตมันก็ส่งออกนอกได้เหมือนกันนะทําความดีก็อยากจะให้คนเขานกย่องอยากจะให้คนเขา เห็นความดีของเราหรือว่าอยากจะให้เขาทำทาดีตามที่เราแนะนำหรืออยากให้เขาเชื่อฟังเราไ ม, ม, ามา่มีตัวเราขึ้นมาทั้งนั้นแหละนะมีตัวเราขึ้นมาเท่าไหร่เมื่อไหร่มันก็คือตัวกูนั่นแหละแล้วเวลาทำดีเนี่ยถ้าจิตส่งออกนอกเนี่ยไม่ว่าจะในลักษณะใดเช่นคอยดูว่าเขาจะเชื่อฟังเราไหมเก็จะทาตามเ็จะทาตามที่เราแนะนำไห หรือว่าเขาจะเห็นความดีของเราไหมเนี่ยมันลืมดูใจอันนี้ต้องระวัง <c oughs> คนทําความดีหรือเวลาทําดีเนี่ยมักจะส่งกิจออกนอกได้ง่ายเหมือนกันนะนก็เลยลืลมดูใจอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่าไม่ว่าเราทําอะไรไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมดูใจเสมอนะ อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าก็ใช้ตามองใช้หูนะรับรู้ส่วนสติก็เอามาใช้ดูใจไม่ใช่ปล่อยใจออกไปข้างนอกนะจนกิเลสมันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจไงก็ได้ทำอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะ อยู่คนเดียวหรือเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆต้องไม่ต้องไม่ลืมใจต้องหมั่นดูใจอยู่เสมอนะพอในงานเนี่ยมันก็อาจจะโดนกิเลสหรือว่าโดนอกุศลแล้วจิตเนี่ยครอบงำได้แล้วคนเราเนี่ยว่าไปแล้วยิ่งยิ่งมีความปรารถนาเยนืใครเนี่ยนะ มันก็ยิ่งโกรธง่ายนะมันก็ยิ่งโกรธง่ายเพราะว่ามันก็ผิดหวังง่ายแล้วความโกรธนี่ก็อย่างที่บอกนะมันมันก็เกิดจากการที่จิตมันถูกอัตตามันถูกกระทบกระแทกเพราะไม่เป็นไปตามที่กูหวังไม่เป็นไปตามที่กูคิดไม่เป็นไปตามที่กูอยาก ต้องหันมันมาดูมีสติรู้ทันในตัวกูนี้เสมอถ้าเราหมั่นดูใจนะระหว่างที่ทําอะไรก็ดูกายรู้กายใจเผยคิดนึกไปก็รู้ใจมันจะค่อยเห็นตัวไอ้ตัวกูเนี่ยที่มันชักใจอยู่เบื้องหลังชักใจอยู่เบื้องหลังความโกรธความเศร้าเสียใจ แล้วก็เป็นที่หมางความทุกข์ความทุกข์คนเราเนี่ยไม่ว่าจะปรากฏในลักษณะใดเนี่ยมันก็สาวไปจริงก็จะพบว่ามันมีร่างง้ามาจากอุปาทานนะอุปาทานความยึดมั่นว่าเราว่าของเราหรือว่าที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอนัตตลกนัสสุรเนี่นั่นของเรานั่น คือเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราอันนี้เรียกว่าตัณหามานะทิฏฐินั่นของเราก็ตัณหานั่นเป็นเราก็ามานะนั่นตัวตนของเราก็ทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้คือสกักยติทิฏฐิความหลงความยึดว่ากายใจนี้เป็นตัวตนของเราหรือเป็นตัวเป็นตนอาจารย์พุทธานัก็สูวงเม่าตัวกูของกูนะ แต่ว่าจะไม่ครบสามนะท่านเจะคุณพรหมพุณารพรนั่นก็เติมมาอีกว่านี้กุลนะตัวกูของกูแล้วก็หนี้กุลนะนี้กุลนะคือมานะของกูคือตันหาส่วนตัวกูคือทิฏฐิตัวกูของกูนี้กุลนะเนี่ยมันคอยนะคอยมาคอยพุดคอยโพรแล้วคอยชักใหญยอยู่เบื้องหลัง แม้กระทั่งเวลาทําความดีเวลาช่วยเหลือเกื้อกูลใครนะมันก็คอยมาคอยมาแจมคอยมาแทะคอยมาช่วยโอกาอย่เสมอที่เราสวดกันทุกทุกเย็นเนาะขอหมู่บ้านอย่าได้ช่องเนี่ยนะไอหมู่บานเนี่ยมันก็น ก, ก็ลวมไปถึงในเรื่องของไอตัวกูของกูนี่ด้วยนะขอหมู่บานอย่าได้ช่อง โดยที่จริงคือว่าอย่าได้เปิดช่องให้หมู่มารจะไปขอให้หมู่มารอย่าได้ช่องนี้มันก็มันก็ไม่ดีเท่ากับว่าอย่าเปิดช่องให้หมู่มานนะอย่าเปิดช่องให้หมู่มารเข้ามาจู่โจมครอบ ง, งาใจเราก็ทำยังไงก็ต้องมีสติมีสติสตินี่จะเป็นตัวตัวปิดป้องนะไม่เปิดช่องให้หมู่มารเข้ามาเล่นงานได้ ทำอะไรทำอะไรก็อย่าอย่าลืมดูใจของเราโดยสายสติสติตัวเดียวนี่มันช่วยได้เยอะทีเดียวเคยมีคนถามหลวงหลวงปู่ดูนะว่าหลวงปูนะ่นช่วยบอกธรรมะสั้นๆเรื่องการปฏิบัติที่มันจะกำจัดกิกเลสกำจัดโลภะโทสะโมหะได้คนสมัยนี้ก็ชอบเลยธรรมะสั้นๆนะ ก็เคยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีคนมาเยี่ยมไหมเราคนมาเยี่ยมก็บอกนานช่วยให้ธรรมะนะสั้นๆสักข้อหนึ่งใช่เดี๋ยวนี้คนมาเยี่ยมก็มักจะพูดแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาอนะก็มีคนถามพูดอย่างนี้กับหลวงปู่ดูเหมือนกันนะขอธรรมะสั้นๆเรื่องการปฏิบัติเนยะช่วยกําจัดโลภะโทสะโมหะหลวงปู่ท่านก็พูดเสียงดังฟังชัดขึ้นมา ทันทีเลยแค่คําเดียวคือสติสั้นมานะมันพูดแค่คำเดียวนะสติแต่พูดแบบนี้คนคนที่ถามก็คงจะงงนะว่าไอ้มันสติมันจะช่วยกําจัดโลภะโทสะโมหะได้ยังไงแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะไม่สงสัยแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็มักจะถามแบบนี้แหละนะขอธรรมะสั้นๆเนียแล้ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะไม่ไม่ถามแบบนั้น เมืม่อมาปฏิบัติเจอคำตอบสั้นๆจริงๆว่างงว่าแปลว่าอะไรหมายถึงว่ามันช่วยยังไงได้บ้างในการกบจัด ก, กิเลสคือหลอพระโทสะโมหะถ้ า, า จ, จะให้เข้าใจก็อธิบายยาวมันก็เป็นธรรมะสั้นๆไม่ได้